รักร้างพอสางร้ายรอดตนยอดเยี่ยมธรรมกายผลผ่องแผ้วเลอเลอดิดล่วงกุศลใดอื่นเชิญท่านถือเอาแก้วกล่องล่าเรืองสกลก็ขอเจริญสุขเจริญพรสาธุชนผู้ติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติอยู่ในขณะนี้วันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชน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 บ่อเกิดปัญญาและน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้ได้มรรคผลตามสมควรแก่ธรรมะปฏิบัติและบุญบารมีที่แต่ละท่านสั่งสมอบรมมาแล้วก็จะได้ดำเนินไปสู่หนทางแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นบรมสุขคือมรรคนิพพานนั่นเองขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังพ ร, พร้อมๆกัน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 หลวงพ่อวัดสามพญาได้กล่าวว่าธรรมกายน่ะของจริงในพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ในที่สูงเป็นธรรมเบื้องสูงนี่ยืนยันอย่างนั้นและก็มาถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานุนีก็ยืนยันว่าธรรมกายนั่นแหละของจริงในพระพุทธศาสนาและก็เป็นของสูงด้วยนะฮะ แต่ก่อนจะถึงของสูงก็ต้องคลานไปตั้งแต่เบื้องต้นนั่นแหละสำมารหังตรึกนึกไ้เห็นดวงใสใจอยู่ในการดวงที่ใสนั่นแหละนี่เป็นส่วนแห่งสมถะดำเนินไปสู่วิปัสสนาแล้วก็สุดท้ายก็เจริญสมถะและวิปัสสนาคู่กันด้วยประการาชนีนะครับกระผมก็เลย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 แต่ทุกท่านดำเนินหน้าที่ของเราของแต่ละคนไปนก็จะมีแต่ความเจริญอย่างเดียวสัตว์ชนได้รับฟังธรรมะบรรยายจากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณจบไปนั้นในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาทางดำเนินไปสู่มรรคผนิพพานสำหรับช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไป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 และทำจิตใจให้ผ่องใสดังมีพระบาลีรับรองว่าสัพพปาปัสสะอัการะนังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงกุสลสูปสัมปทาการทำความดีให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังการชำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วเอตังพุทธานสาสนัง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 นึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสซึ่งเป็นที่ตั้งของกำเนิดธาตุธเดิมตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดบางท่านอาจจะนึกได้บางท่านนึกไม่ได้วิธีทำใจให้นึกได้ในขณะที่เราหายใจเข้าออกลึกๆตามสบายนั้นนึกให้เห็นเส้นตรงสีขาวใสสองเส้นตัดกัน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 ให้เห็นไปได้ด้วยใจทั้งข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนเป็นนักสมีเท่าเทียมกันโดยรอบเสมือนหนึ่งกายเราเป็นกายแก้วนั่งอยู่ในดวงแก้วกลมใสดวงใหญ่ลองนึกทำนองนั้นพร้อมกับ น, นึกอาราธนาคุณพระรัตนตรยัย พระพุทธเจ้าพระธรรมชเจ้าพระสงฆ์เจ้าและพระเดชพระคุณหลวงพอ่อขึ้นมาปรากฏในใจเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์พอตั้งจิตอธิษฐานเสร็จเราก็นึกหยุดนิ่งกลางจุดเล็กใสตั้งสติไว้นั่นเลยทีเดียวตั้งสติไว้เลยทีเดียวทาใจให้โปรง่งเบาโลง่งสว่างกว้างเท่าที่ทาได้เหมือนเราเป็นกายแก้วเอง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 สัมมารังสัมมารลังสัมมารั ง, ม, รงมีสติรู้อยู่ก้าดูใจอย่าให้กิเลสนิวรณ์เข้ามาปรากฏพึงกำจัดด้วยอารมณ์วิตกวิจารณ์ติดตรองประคองนิมิตและบริกรรมภาวนาคู่กันตลอดเวลาเมื่อใจรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันปี ต, ต, ติและติจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วนั่นเอกคตารมณ์ก็จะเกิดแล้วก็นั่นแหละ ดวงใสแจ่มจะปรากฏขึ้นเมื่อปรากฏขึ้นแล้วนั่นปฐมฌานนี่เอาอย่างนี้นะไม่ต้องนึกไม่ต้องวาดวิตกอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องห่วงใยอะไรทั้งนั้นต่อแต่นี้ไปสัมมารังสัมมารังสัมมารังตรึกนึกให้เห็นดวงแก้วกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงแก้วกลมใสท่องในใจไปเรืย ให้ต่อเนื่องกันเหมือนกระแสน้ำที่ไหลไม่ขาดสายไม่ช้าใจจะรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นดวงประมะมัชยใสสว่างปรากฏขึ้นอันนี้ของจริงเห็นแล้วอย่าตื่นเต้นอย่าตกใจสว่างบางคนสว่างมากบางคนสว่างน้อยเห็นแล้วนึกอย่างเดียวนึกเข้าไปเห็นจำไว้นึกเข้าไปเห็ น, จ, น, หนจุดเล็กใส ที่ศูนย์กลางดวงใสสว่างนั้นนั่นแหละคืออุบายวิธีจะทำใจให้หยุดเห็นจาคิดรู้เขาจะไปรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันยิ่งขึ้นนึกเขาไปเห็นหยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางจุดเล็กใสนะันเบาๆไม่ต้องแรงนิ่งถูกส่วนศูนย์กลางจะขยายออกดวงใหม่จะเกิดขึ้นเราก็จี้ใจของเราไว้่านหยุดในหยุดกลางของหยุด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 ปรากฏขึ้นอยู่ในท่าขัดสมาธิหันหน้าไปทางเดียวกันกับเราเห็นกายละเอียดกายใดปรากฏขึ้นหลักสาคัญมีนิดเดียวนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสที่ศูนย์กลางกายละเอียดนั้นพร้อมกับนึกดับหยากไปหาละเอียดทิ้งความรู้สึกอันเนื่องโดยกายอยากเข้าไปเป็นสวมความรู้สึกเข้าไปเป็นกายละเอียดเลยเป็นกายมนุษย์ละเอียดนั่นใจของกายมนุษย์ละเอียดก็หยุดนิ่ง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 เ ป, เป็นแผ่นใสๆหนาประมาณหนึ่งฝ่ามือเต็มหน้าตักพอดีเราก็หยุดในหยุดกลางของหยุดกลางของกลางกายกลางของกลางดวงใสละเอียดใสละเอียดไปสุดละเอียดศูนย์กลางจะขยายออกกายละเอียดอื่นๆได้แก่กายทิพทิพยละเอียดพรหมพรห ม, ม, ม, ม, มละเอียดอรูปพรหมอรูปพรหมละเอียดไปถึงกายธรรมจะปรากฏขึ้นทีละกายทีละกายโดยในเดียวกัน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 อธิษฐานรวมบุญกุศลที่ได้สร้างสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันน้อมบูชาแดกคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าและพระเดชพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วตั้งจิตอธิษฐานขอกุศลผลบุญนี้จงมารวมเป็นตบะเดชะพระวะปัจใจพระคับประครองใจเราให้หยุดให้นิ่งให้สิ้นกิเลสนิโหน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 มีคุณบิดามารดาคุณครูอุปั ช, ชาร์อาจารย์และญาติมิตรปูย่ย่าตายายถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์อุทิศนกุศ ล, ศ ล, ศลให้แก่ผู้ปกครองผู้รักษาประเทศชาติพู้รักษาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้ามนุษย์เพื่อนร่วมโลกอื่นทั้งหลายและอมนุษย์ทั้งเทพ ย, ายดาพรหมอรูปพรหมทั้งหลายเปรตสัตว์โรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทุกตัวตน เมื่อรับรู้โดยยานวิถีใดจงอนุโมทนาบุญเอาเมื่อรับรู้ไม่ได้เราแผ่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมิหารไปยันสรรพสัตว์ทั้ทงหลายเหล่านั้นด้วยขอกุศลพลบุญนี้จงเป็นพลวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายได้พ้นจากเหตุแห่งความทุกข์ถึงพร้อมด้วยเหตุแห่งความสุขด้วยการละชั่วด้วยกายวาจาใจประกอบแต่กำลีได้วยกายวาจาใจทําใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นสัมมาทิฏฐิ สุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวสรรค์สมบัตินิพานสมบัติมีมรรคสีผลสี่สละนิพานหนึ่งโดยสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนตืน่นนิพานปัจโยโหตุสพเพคุ ธ, ธาภรัปัตตาปัจเจกานันจะ ย, ยังพลังอรหันตานันจะเตเชนระคังพันธามิสัพพโซ เตะอัตลาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุกิตาโหทัสหัสัพเพหิยาติภิกขะวาตุสัพพมังคลังรักคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตยสาธุชนก็ได้ฝึกปฏิบัติภาวนาธรรมเบื้องต้น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 หมกมุ่นอยู่ในกิเลสเหตุแห่งทุกข์ที่เราประพฤติปฏิบัติอยู่ในการดำเนินชีวิตประจำวันนั้นย่อมจะเจอกับสภาพอารมณ์สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการทำให้จิตใจของเราขุนมัวไม่ผ่องใสและในโอกาสอย่างนี้เราได้มาฝึกทำใจของเราให้หมดจดจากกิเลสอย่างน้อยเพียงแค่ ช่วครั้งชั่วคราวก็จะทำใจของเราให้แจ่มใสเบิกบานด้วยธรรมะด้วยพุทธธรรมซึ่งก็สาธุชนก็ได้ฝึกปฏิบัติไปแล้วและที่สำคัญเมื่อสาธุชนฝึกปฏิบัติแล้วจาหลักวิธีการของการปฏิบัติได้แล้วก็จงมั่นมีสติพิจารณาถึงธรรมะที่เกิดขึ้นอยู่กับใจเนืองๆและมั่นปฏิบัติ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 นี่เป็นผลของการคลุ้มครองจากธรรมะปฏิบัติเพียงแค่เบื้องต้นที่สาธุชนจะได้รับจากธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเอาไว้ดีแล้วฉะนั้นสาธุชนผู้กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะส่สันติอยู่ในขณะนี้เมื่อได้รับรู้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ชาระจิตใจให้ผ่องใสอย่างนี้แล้วจงหมั่นฝึก ปฏิบัติด้วยตนเองเนืองๆ น, นั่นแหละสักวันหนึ่งจิตใจของท่านเมื่อได้รับการฝึกฝนดีแล้วย่อมจะนําสุขมาให้ดังมีพระพุทธพจน์หรือพระบาลีรับรองว่าจิตตังทันตังสุขขาวหังแปลความว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนําสุขมาให้เพราะว่าอะไร เพราะเมื่อกิจเราได้รับการฝึกฝนให้หยุดให้นิ่งสติปัญญาอันเห็นชอบก็จะเกิดและเจริญขึ้นณนะภายในซึ่งจะเป็นตัววินิจฉัยตัดสินปัญหาต่างๆในการดาเนินชีวิตของคนเรานั่นเองรวมทั้งในการปกครองในการดูแลในการบริหารกิจการต่างๆที่แต่ละท่านกําลังดำเนินดาเนินไปอยู่อย่างถูกต้อง ตรงตรงประเด็นนี้แหละธรรมะสามารถที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้สำหรับวันนี้รายการธรรมะสุสติก็นำสารธรรมต่างๆทั้งธรรมะบรรยายธรรมะปฏิบัติและผลของการปฏิบัติที่อาตมานำมาสรุปให้สาธุชนได้เข้าใจถึงหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อที่จะสาธุชนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตลอดระยะเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังเป็นไปอยู่เราจะได้พึ่งพาแสงประทีปแห่งพุทธธรรมนั้นเป็นเครื่องส่องทางในการดำเนินชีวิตสําหรับวันนี้รายการธรรมสูสันติก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการก่อนจากกันวันนี้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 จเจริญรุ่งเรืองในพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกิจการงานโดยชอบทั้งปวงสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุสสมบัติสวรรสมบัติและพระนิพพานสมบัติมีมรสีผลสีและพระนิพพานหนึ่งฝ่ายที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวทุกท่านทุกค น, นเทือนเจริญพร